สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านหนังสือจอมจกกักรพรรดิอโศกเขียนโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระซึ่งเป็นนักเขียนธรรมะที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งซึ่งห้างธรรมสภาเป็นผู้พิมพ์ออกเผยแพร่ โอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟงังจอมจกักรพรรดิอโศกค่ะ